กาฟมิดหมายควอาศัยคนชํานาญทางมาพากเราไปเนี่ยง่ายกว่าอ่านพื้นที่แผนที่เยอะเลยเนะดังนั้นอเองก็แล้ว่าเราทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยเรากําลังเดินทางนการเดินทางมันก็ถูกบ้างผิดบ้างหลงบ้างรู้บ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราไปถึงเป้าหมายเราก็จะมาเรียบเรียงใหม่ที่เราเดินมาอาจจะสเปะสปะ โค้บงบังออมบงังแต่พอเราเดินไปเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าจะไปอย่างไรถึงจะถูกเป้าหมายแล้วก็มีทางหาทางรัดสั้นได้ด้วยนะเมื่อชำนาญทางแล้วเนี่ยพอเรารู้ทิศรู้ทางแล้วก็พอจะมองออกคนจะไปทางไห น, ฉ, นฉันได้ก็ดีเรื่องของนา ม, มา ร, รมก็เช่นเดียวกันการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของมันเนี่ยมันก็จะต้องศึกษาปริยัตเพียงเป็น แผนที่บอกบางส่วนแต่ถ้าหากว่าเรามีกเรนมิตรผู้รู้จริงมานําเรามันก็ง่ายขึ้นเยอะนะเมันก็คนที่เขาขับรถเป็นแต่มันก็เป็นผลเสียหนึ่งอย่างหนึง่งมานั่งรถคนที่เขาขับรถเป็นไปที่นู่นที่นี่นะแต่ว่าหนึ่งตนเองพารถไปเองว่างนึ่งไปไม่เป็นนะ ตอนที่ที่ไปกับเขานี่เราก็เพลินไปกับเรื่องอื่นไม่ได้ตั้งใจที่จะทําทางเพราะว่าหนึ่งไอ้คนที่มัรู้ทางมันไม่ได้ไปด้วยให้ให้เราพาไปอย่างงี้นะแล้วก็พาไปหลงไปทั่วเหมือนกันทีนี้ทังทั้งนี้เรานั่งไปไปกับเขาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะจำอันนี้คือค่อยเสียของผู้ที่ตามโดยที่ไม่สังเกตเนี่ยเราก็ต้องตามไปด้วยสังเกตไปด้วยพอถึงวันหนึ่งเราเป็นผู้ตามผู้นําเองบ้างเนี่ยเราก็จะนําไปไม่หลงทางนะ เราจะรู้ว่าเราไปที่ไหนได้ผลไม่ได้ผลดูตรงที่ว่าเรากลับบ้านเรานําไปใช้ถูกไห ม, ไมตรงอ่อนนานเอเงินหมดใช่ไหมเราใหม่ๆก็ ไ, ไ, ได้ <laughs> ไปหาเงินมาใหม่ๆเนระาใช้เงินสนุกเพราเงินหมดแล้วทีนี้ไปไม่เป็นเลยนะาบุญหมดเหมือนกันนะเราการที่บางคนไปหาเงินมาแล้วก็ปรากฏว่าเขาเขากลับเอาเงินนั้นไปเป็นต้นทุนใช่ไหมไ ป, ไปลงทุน ถ้ากลับว่าไปหาเงินมาครั้งเดียวเขาก็เป็นอยู่เป็นเศรษฐีมีกินได้แต่ประเภทที่ว่าเอาไปต่อทุนไม่เป็นก็หามาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปเป็นอย่างนั้นนะฝึกค้าฝึกขายา ม, าม่่งมีกระเนนะ <laughs> <laughs> มีแต่คนที่จะพาให้หลงทางเนี <laughs> ่ยมาเท่วนี้รู้สึกเป็นไงมัง่งแต่หมายถึงว่าตัวสภาวะที่คุณสมัมผัสได้มันหมายถึงอะไร แต่คือหมายถึงว่าตัวที่เราตามไปดูสภาวะตามคำชี้ น, นําน่เราเห็นสัมผัสสภาวะนั้นได้ในตัวเราเองเนนะ่อันนั้นสำคัญเมื่อเราเห็นสภาวะปรากฏในตัวเราเองเมื่อม่มีปัญหาอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้เพราะมันมีอยู่แล้วคาตอบในตัวเราเนี่นะแต่ที่แล้วแล้วมาเราอ่านไปไม่ถึงยังไงหนังสือเล่มเนี่ยที่เราอ่านการอ่านใจเนี่ยเมื่อก่อนอ่านยังไม่ทั่ว แต่ที่ประโยชน์ของการยามิตก็คือแนะนําให้เราอ่านหนังสือให้ทั่วว่าข้อสอบมันจะมักจะออกตรงไหนนี่นะเขาก็แนะไปดูตรงนั้นบ่อยๆเมื่อมาสงสัยขึ้นมาพร่อคนก็ได้คำตอบเลยนะเอนั่นน่ะได้อันนั้นคือแนะให้อ่านตัวเองอ่านตัวเองออกหลักสูตรของบทเรียนนะอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วสามารถปลูกสิ่งที่เราต้องการได้ปลูกฝังคุณธรรมที่เราต้องการได้ นั่นคือหลักการพุทเถียนถ้าหากเราไปรูปแบบนี้ถ้าเราอ่านตัวย อ, ออกบอกโดยใช้โดยเองเป็นก็หมายควาว่านั้นถูกต้องตามหลั ก, กของท่านแล้วเกิดเราก็ได้คําตอบใช่ไหมหาคําตอบมากขึ้นนั้นก็ไม่สงสัยนะอืมก็ดีแล้ว<า>แต่ว่ามันก็ได้รูปนามชัดเจนขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะเมื่อนี้อเอาก็มีนะเพราะคนคนที่เกิดปีติหมายความว่าสัมผัสรูปนามแล้ว เพราะว่าตัวปิตินั่นเองตัวเป็นสัญญาณบอกเหมือนกนเด็กที่เกิดใหม่มันจะร้องไห้ก่อนใช่ไหมไม่อยู่ยยนะถ้าเด็กเกิดมามคนไหนเกิดมาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่า ย, ยังเสียงเป็นเสียงใต้อยู่นะ <laughs> สภาวะที่เราสัมผัสได้ว่าดีมันหมายถึงค่อนข้าขงชัดเจนและต่อเนึ่งแล้วก็สามารถที่จะร่องจิตมาอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะ ว่ามันเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่ความจริงเขาสรุปในติปทานทุกบทเนี่ยที่เราสวด น, น ะ, ะเห็นอะไรอิติอาชัดตั้งว่าธรมธรมานุปัสสีวิหารติเห็นไหมว่าเห็นด้วยอาการนี้เรามีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกอทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ที่เสวดเมืี้นะสมุทัยะเกิดขึ้นวยะดับไปและสมุทัยะวยะทั้งเกิดขึ้นและดับไปเห็นภาวะเกิดว่าดับตลอดคือหมายเขาเห็นมันความคิดมากก็เห็นมันดับไปถ้าความคิดมาใหม่ก็ดับไปเห็นการเกิดการดับแบบนี้นะก็เห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมอ่ะทั้งสี่อย่างเนี่ยมันมันเกิดมาอย่างไรก็เห็นมันดับไปเกิดมาก็ผ่านไปมาก็ผ่านไปแต่ว่าดับไปแล้วก็ในนั้นท่านบอกว่า ด้วยอาการอย่างนี้นะอิติอาชัดไอสติอธิ迦โยติวาปนสสะสติปัจจุปติตาโหติสติที่มีอยู่เป็นที่มีอยู่นี่เพียงเพื่อเป็นที่ตั้งของการลึกรู้ญาณมัตยะเพียงเพื่อรู้เพื่อให้เกิดตัวรู้ที่เราเราเห็นการเกิดดับเลยนะ เพื่อเห็นการเกิดการดับการเปลีป่ยนแปลงเพื่อมันจะเกิดตัวรู้ญาณมัตตายะเพียงเพื่อรู้เท่านั้นนะสัตว์เข้าไปรู้การเกิดคือไม่ต้องไปจัดการอะไรนั่นสัตวร์รู้ปฏิสติมัตตยะเพียงเพื่ออาศัยในลึกอาศัยตัวที่มันกําลังเกิดกําลังดับกําลังเกิดเช่นหนักเกิดขึ้นพอเปลี่ยนปับ๊บหนักก็ดับไปเบาเกิดขึ้นหนักหายไปนั่งไปนานเบาหายไปหนักเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เฝ้ารู้อย่างนี้เรียกว่า เพียงเพื่ออาศัยระลึกเห็นการเกิดดับปฏิสติมัตยิยะน่าจะกินจิโลเกอุปทิยะน่าจะกินจิโลเกอุปทิยติเพียงเพื่อที่จะไม่ด้วยการทํานี้ด้วยตันหาฤทธิทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ตันหาฤทธิตั้งอยู่ไม่ได้ไมไดหา ม, มายความความอยากความยึดในในตัวตนเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราเห็นว่ามันไม่ได้มีอยู่จริง พรมันเกิดและมกระดับตลอดเวลาเราเห็นหน่วยละเอียดคือการเกิดดับของเวทนาเกิดกนในโลกของจิตนะพอเห็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็คอยเห็นคอยดูคอยลึกลึกรู้น่นนนจาจะกกิจิโลกเก อ, อุปทิยติอแล้วอะไรอะไรด้วยอาการอย่างนี้ด้วยทิฏฐิอาศัยไม่ได้นะอะไรอะไรในโลกนี้เธอไม่ยึดมัน่นอะไรในในโลกนี้ น่าจะ ก, กินจิโรเกอุปทิยติเมื่อยึดในโลกนี้ไม่ยึดในทีนีมันเกิดมันดับมันไม่มีอะไรจะยึดและคุณเป็นงเพราว่าเกิดดับตลอดเวลาไอเราเป็นอยู่นี่ก็เป็นภาวะที่เกิดดับตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่ามันเกิดดับค่อนข้างความถี่สูงนะเหมือนไฟนิออนไฟเนี่ยความจริงมันมีบวกลบเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมโอห้าสิบครั้งตัอวิ 50, 50, 50, 50, 50. เลยอะโอตัอวิ 50, 50, 50. กาไม่ได้วก็ดูเหมือนเที่ยงไปเลยเนาะดูว่า ม, ม, มันเฉยดูเหมือนเหมือนเหมือนถาวรแต่เขาคิดมันเกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมห้ววาสิบวิต่อห้าสิบครั้งต่อวิแต่ว่าจิตไวกว่านั้นอีกแต่ที่เมกาหกสิบนะครับ60ต่อวิอโอเห็นหนี่ขนาดที่เป็นรูปธรรมนะนี่ตามมาเห็นอนามรูธรรมาะขนาดไหนแต่ท่านเลยขยายออกมาเป็นสี่ สี่วงวงล้อไงวงล้อในสุดเหมือนเหมือนตัวที่มันเหมือนติ้วเลยนะวงที่สองออกมาจิตวงที่สามออกมาเวทนาวงที่สี่ออกมากายกายนี่มายกมือทันใช่ไหมยังไงก็ดูทันอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอไปดูจิตทิ่แป๊บบุตรเจ้ามังเสียวลัดอยู่มือเดียวไวขนานดะลัดที่มือเดียวมันไวกว่าเซ็กซ์กัอีก นี่คือภาวะที่ท่านเปรียบเทียบนะไวกว่าแสงไวกว่านะไวกว่าแสงเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยไปสําคัญมัตตหมายสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับนีน้ว่าเป็นเราเพราะมันปัญญาเราไม่สามารถไปมองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเขาเรียกว่าคนณะสัญญาไปบังอนัตตาแล้วก็จีรนะสัญญาไปบังอนิจจังเราเห็นว่าเที่ยง เราก็เลยไปสําคัญว่าอันนี้เป็นเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหลักชังเกิดขึ้นแหละตัวนี้พ่อเราไม่เห็นความเป็นจริงพอเราจเจริญสติมากเข้ามาเข้ายานปัญญาเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงสามารถเห็นการเกิดดับทัวนี้เราเริ่มเห็นการเกิดดับของจิตได้แล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวมคิดหายไปเดี๋ยวมันมาเนี่ยมันเกิดมันดับห ย, ยาบๆอย่างนี้ก่อนอันนี้วงที่เราเห็นได้เวทนา น, านั่งไปสักพักมันถึงจะปวดให้เห็นใช่ไหมนั่งรูร้ไปสักพักมันถึงจะเบาให้เห็นเนี่ยการเกิดดับก็หยาบลง เนี่ยนั่งนี้ตั้งนานเราถึงจะลุกไปเราก็เห็นแต่พอไปจิตอีกอะทุกคนนั่งอยู่เนี่ยถามว่าอะดามากลังคิดอะไรเนี่ยรู้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ยมันก็ละเอียดลงไปอีกแล้วเรื่องอะดมาคิดคือเรื่องไหนเกายิ่งละเอียดเข้าไปอีกนะอันคือสีพุทธิยถาตัศรู้อย่างน้อยสี่วงจรวงจรที่ลึกที่สุดคืออารมณ์วงจรที่ สองคือจิตองค์ฌอที่สามคือเวทนาเย็นแล้วนแข็งองค์ฌอที่สี่คือกายนะมันมีสี่ตัวจักเพราะง้เขาเขาจะใช้มีนักเวีศาสตร์เอามาใช้ก็อยากให้มันหมุนช้าก็ทุดอะไรใช่ไหมทุดออกมาให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ชา้าแต่ตัวในนั้นหมุนติ้วเลยใช่ไหมตัวข้างนอกก็หมุนเห็นเห็นอยู่อันนั้นคือนักเวียศาสตร์เอามาขายายใช้คุณสมจิต ส่วนร่วงเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ยพงพ่อก็นึก ว, ว่าคุณนิตยาเนี่ยซื่อสมจิตอ่ะโอ้แสดงว่าคุณเคยทําสมถะมาพอสมควรเนาะมันยังทำกันขนาดนี้ยังง่วงอยู่แสดงว่ามันยังฝังลึกอยู่นะเนี่ยเราแก้ไขได้ออกทันทีไม่หรือว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตัวที่ทําให้เกิดง่วงรู้ไหยคือตัวไหนตัวง่วงเนี่ยเป็นตัวเกิดแล้ใช่ไหม อ่าที่นี้มันเกิดมาจากอะไรที่บอกตอนเช้าว่ามาจากตัวเพลินใช่ไหมเพลินในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนั้นมันถึงมาได้ถ้าไม่เพลินตัวนั้นมาไม่ได้มันไม่มีที่มาที่ตัวเพลินเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการติดสบายชอบความสบายชอบความสงบมันก็เพลินแน่นั้นพอเพลินป๊บตัวนี้ก็มาเลยนี่วอนทั้งทุกตัวถ้าไม่มีตัวเพลินแล้วมันไม่มีไม่มีเชื้อที่เกิด เพราะนั้นถ้าว่าจัดการมันก็ไปดูว่าทําไปเนี่ยแต่ประการสําคัญเราดูตัวเพลินออกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปติดใช่ไหมไปชอบอ่ะชอบอาการเนี้แล้วก็ซ้ําอยู่นะเดี๋ยวไดได้ได้เพลิน่ะอันนี้คือจุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คิดว่าจะไม่มีง่วงเนาะแต่ว่าแต่ละคืนหลับสนิทไหมรายสามสี่ส้าเหตุที่หลวงพ่อมาว่ามาวันนั้นมันก็จะเป็นตัว ที่จะทําให้เกิดง่วงได้ง่ายและยืดเยื้อก็ไปตัดจัดการสาเหตุของมันคุณละไม ย, ยมโนใหม่โอโยมต้าเนี่ยน้ำสกุลอีกอันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับันนี้อุตรานี่นะอ๋ อ, อไม่ใช่อุตรดิตนะหล<ม>วงเติมเพิอีกหน่อยอุตรดิษ <c oughs> ต <c oughs> เป็นยังไงบ้างวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเบืนน่อก็ดีความง่วงก็ดีเนี่ยสังเกตไหมว่ามัน เป็นการเกิดหรือการดับนิวรเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการเกิดหรือการดับดับช้าหน่อยเพราะทรไมจึงดับช้าคิดเจอะเพราะไปรู้ช้ามันถึงดับช้าใช่ไหมเพราะตัวรู้เป็นตัวไอตัวนิวรเป็นตัวเกิดใช่ไหมและตัวรู้เป็นตัวดับตัวดับเกิดช้าตัวเกิดมันก็เลยอยู่ยาวถ้าตัวดับคือตัวรู้มาไวตัวเกิดมันก็จะถูกดับ ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันมันเกินเนี่ยตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวปัญหาเกิดมากกว่าดับแต่หลักของมันคือเกิดดับให้สมดุลใช่ไหมมันจะต้อเป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์เหมือนกับขบวกข้อลบใช่ไหมต้องสมดุลถ้าสมมติว่าบวกมากกว่าลบเนี่ยจะแสะไฟไปไงคุณผู้ชมเจ้าของทฤษฎี <laughs> มีค ondition <laughs> อยู่ด้วยอ๋อแต่เมื่อต้อมตงมีที่ผ่านมาก แต่ถ้าไม่มีอะไรแตกมันดูไม่มีไม่ม e ีไม่เกิดไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเพราะมันเพราะมันมีไม่มีดับเกิดอะไรไม่มีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่จ้องอยู่ตรงนี้นะว่าไม่จ้อมันมีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าการเกิดหรือการดับมีอยู่ก่อนภาวะที่ไฟมีเนี่ยเป็นภาวะการเกิดหรือการดับ มีอยู่คือมันไม่มีอยู่มันไม่มีเลยแสดงว่ามีการดับอยู่ก่อนแล้วดับอยู่แล้วอ่ามันดับอยู่แล้วแต่เมื่อไปเกิดสัมผัสขึ้นการเกิดจึงปรากฏเกิดเลยอ่า ม, มาเร็วมากเลยมาเร็วเมื่อธรรมะของพุทย้าเหมือนกันตัวอวิชามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีการผัดสากเกิดขึ้นอวิชาก็ดูเหมือนไม่มี ชานั่นะคือลักของมันเหมือนกันเลยนะความจริงอวิชชาเนี่ยถ้าจะว่าไปตัวที่เข้าไปแตะแต่คนที่เข้าไปแตะแต่ด้วยความรู้เนี่ยมันจะไม่ดูดใช่ไหมใช่นานเห็นไหมไม่ใช่ว่าไปแตะแล้วมันจะดูดเส ม, มอไปก็ไม่ใช่นั่นหมายความว่าตัวอวิชชาถ้าผู้รู้เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาก็ทําอะไรเขาไม่ได้อา่า หลักการ น, นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีตัวอวิชชาอยู่ทุกคนแต่พอเราสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวไม่รู้ยืนทาําอะไรไม่ได้เพราะมันตัวนี้ไปบาลานซ์อยู่น่ะเหมือนกันนะหลักการนี้ใช้ได้ <c oughs> นะตัวดับปรากฏอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าดับและนี่มันจะปรากฏเป็นตัวเกิดได้ต่อเมื่อมีพัสดะแตะเข้าไปก่อน <c oughs> ต้วยพัสด ะ, ะ, ะเข้าไป แต่ในกรณีพัสสะด้วยตัวไม่รู้มันจะเกิดเป็นปัญหาใช่ไหมแต่ภัสสะที่รู้ก็จะเป็นแสงสว่างเนี่ยไฟเนี่ยถ้าเอามือไปแตะก็เอาหลอดไปแตะที่ต่างกันใช่ไหมเอามือไปแตะได้ดูดตายเลยแต่เอาหลอดไปแตะมันเกิดแสงสว่างถูกต้องไหมโอเคผ่านอ้าคุณเพชรยังอยู่ไหมอ๋อเข้าใกล้นี่คุณเพชรเป็นยังไงบ้างวันนี้ ออคิดเดีหรือไม่ดีมันแก้ไม่ได้คิดเยืดไหมเพราว่าตัวรู้น้อยไปใช่ไหมครับพอเรามารู้สึกตัวให้ชัดมันก็เลยชัดทั้งคิดชัดทั้งรู้สึกตัวอ๋อสองอย่างเลยเออเหรอแต่ความจริงแล้วก็เห็นว่คุณขยันทาอยู่นะแต่การที่ความคิดปรากฏชัดมันถูกแล้วเพราะจังหวดมันคิดอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏชัดเราก็นึกว่าไม่คิดยังง ความคิดปรากฏชัดหมายถึงว่าตัวนั้นมันจะไม่หลบลงไปเป็นตัวจิตใต้สานึกเป็นจิตรู้สานึกเราถึงเห็นมันชัดตามูติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นมันไม่ชัดเพราะมันหลบไ ป, ไปไปจิตใต้สานึกเหมือนของอยู่ใต้ทุนของเราเนี่ยเราไม่รู้มันมีอยู่แต่ตอนนี้เราเอายกของใต้ทุนขึ้นมาไว้บนบ้านมันก็เห็นชัดกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดี อ, อ๋อแสดงว่าเราเอามาตั้งไว้บนบ้านนานเกินไป <laughs> บ้านเลยลกหมดเลย <laughs> เป็นคนลับที่ไม่เดินคุณรู้ไหมว่าเอาของได้ทุนมาใช้บนบ้านแล้วคุณไม่เก็บลงไปไว้ที่เดิมเนี่ยบ้านมันถึงล ก, กใช่ไหมเห <laughs> มือนกันคุณเอาความคิดให้มันขึ้นมาอยู่ในใจแล้วคุณไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่ไม่เก็บไม่สลัดมันทิ้งไม่เก็บลงไปคุณเดิมมันก็เลยลกอั น, นั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเอเมื่อก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เราเราเพ่รู้ว่ามันมีความคิดเยอะใช่ไหม แต่เมื่อก่อนอมี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคิดเพราะเราไปเป็นความคิดนไงแต่ในนี้เราไม่เป็นมันเพราะนั้นเป็นสัญญาณว่าเมื่อเรารู้ว่ามันเยอะเราก็จะทําให้มันน้อยได้อย่างไรเนี่ยรู้ละเมื่อก่อนเราไม่รู้จะทําให้มันน้อยลงได้ไงเพราะเราไม่เห็นมันใช่ไหม αι? แทนที่จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับเป็นสัญญาณที่ดีแต่คงจะต้องใช้เวลานอนหน่อยของมันเยอะเนาะ <laughs> อหลายๆย้ายของจากบนบ้านมาอยู่ได้ไถุนบ้านนะจากจิตรูส้สัมจิตติใต้สํานึกนะฮะให้มันไปจะรู้สํานึกเอ า, าเออกมาให้มันดูให้หมดทุกอย่างนะแต่พอมีตัวรู้อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนคุณก็ไม่รู้ว่าใต้ถุนบ้านคุณมีอะไรบ้างแต่วันนี้คุณเริ่มมีไฟฉายใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้หยิบขึ้นมาใหญ่เลยทีนี้ขึ้นมาไว้บนบ้านบนบ้านก็เลยลบเพราะบางอย่างไม่จําเป็นต้องคิดคุณก็หยิบ ม, มาคิดใช่ไหม อ่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้คุณก็ความที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยแม้ของมีซ่อนอยู่ได้นั้นเก็บไว้แต่เมื่อไรไม่รู้เนะี่ยอเก็บขึ้นมาอันนั้นก็ต้องอ่าเลือกเลือกที่จะคิดไม่ใช่ไม่ให้คิดนะเลือกที่จะใช้อันไหนเพืไม่จะเป็นต้องใช้ก็อย่าเอามาคิดเก็บไว้ก่อนอ่าเหมือนกันตัวรู้ก็จะเป็นตัวจัดการอย่างนั้นบางเรื่องก็อยู่สั้นบางเรื่องก็อยู่ยาวแล้วเราปรุงปรุงไว้แล้ววันมาเองไปเอง หรือเราต้องไปหามันมาคิดควจริงตามตามรูปนามได้ทันมันก็เห็นความคิดผ่านไปได้เร็วนะเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามนี่สำคัญนะยุ่งจกคือการตามดูหนักดูเบาดูคือเราดูทันไหนทันก็ให้ให้ดูคนนั้นให้ชัดชัดเพราะเราบอกแล้วว่าสติประธานเหมือนกับวงล้อทั้งสี่วงอะใช่ไหมแต่ละวงวงไหนที่วงนอกสุดมันหมุนช้าใช่ไหมเลาเพรมันทดเฟื่องออกมา เราก็มาดูนี้ให้ชัดพอเราดูตัวนี้ชัดตัวที่สองเข้าไปก็จะดูง่ายขึ้นพอเรามีทักษะดูทันในตัวที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการดูในส่วนกายเนะี่ยดูให้ชัดๆเอาไว้ก่อนท่านที่ใช้กปชาาชตตช็ประชานาติคัจฉันโตติขัชฌามิติประชานาติเมื่อยือนอยู่ให้รู้ชัด ๆ, ๆว่ากําลังยือนอยู่นะนั้นบอกท่า น, นบอกว่าอย่างนั้นน ะ, ะทีโตวาทีโตมหีติประชานติเมื่อยือนอยู่ก็ให้รู้ชัด ๆ, ๆว่ากําลังยืนอยู่นะ นิสินโนวานิสโนหิติปจนั่งอยู่ขณะนี้ก็รู้คว่ารู้ชัดคือรู้อย่างไรนี่ดิเงื่อนไข่ะโจดว่ารู้ชัดคือรู้อย่างไรคือรู้ซื่อรู้ซื่อรู้ซื้อซื่อเบืออย่างที่พูดไปตอนเช้าคาว่ารู้ชัดเห็นลักษณะอยู่สามอาการรู้ว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงรู้กำลังมีอาการของสุขของทุกข์ปรากฏ แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่รู้อยู่ขณะเ น, นี้มันไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเื่นี่เขาเรียกรู้ชัดคือรู้อย่างนี้นะไม่ใช่รู้แบบซึมมือนะเห็นขบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่ารู้ชัดใช่ไหมนั่นแหละเจ็บก็เห็นปวดก็เห็นสบายก็เห็นไม่สบายก็เห็นพอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยไอ้ความเป็นตัวตวนของเรามันถูกลดความเข้มข้นลง ผู้ครั้งที่เราเห็นเนี่ยคุณพ่อเทียนเปียวส ม, มุนว่าสีในกระป๋องที่เข้มเนี่ยเมื่อเติมน้ำเปล่าลงไปทีละหยุดทีละหยดทีละยดทุกวันทวั น, วนสีมันก็จะหายความเข้มข้นจะไปเขียนอะไรก็ไม่ติดเลยทีนี้ฉันใดก็ดีอุปท า, านของเราที่ไปสำคัญมานหมายว่าเป็นเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนนั้นคนนี้นะพอเราใส่ตัวรู้ลงไปทุกวันทุกวันเราไปเห็นสภาพความเป็นจริงของมั น, นอ๋อจริงๆมันในความเป็นตัวเรามันไม่มีแต่เราไป คิดสําคัญผิดว่ามันมีจริงจริงมันเป็นภาวะที่เกาะกลุ่มอาศัยกันเท่านั้นใช่ไหมไอ้ความสําคัญมันหมายของเราก็น้อยไปเมื่อก่อนเนี่ใครมาด่ามาว่ามาแต่มาต้องมานี่ไม่ได้เราก็ขึ้นทันทีเลยเนีแต่หลังเมื่อรู้อย่างนี้ปับ๊บมันเพิ่มเฉยเฉยอะเอามาเมื่อวานลูกสาวของคุณจิตยาที่มารับแม่วันนี้เราให้ฟังเขาปฏิบัติเขาปฏิบัติคาตามาไปปฏิบัติที่หอจุมาให้มาเหตุบ่อย มีวันหนึ่งเร า, าผู้ชายคนหนึ่งใค า, ามันไม่ชอบมันขมินกันมานานแล้วนะทีนี้มันเดินมาเจดนา ม, มาชนอ่ะชนเกิดล้มอ่ะเะบอกหนูรู้สึกไม่รู้สึกเลยนะเออแค่นั้นเองพราถ้าเป็นเมื่อก่อนมันได้ลุยกันเลยนะแต่อันนี้ความรู้สึกว่าจะลุยมันไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเฉยอ่าไมไดม้ว่ามันสติไวมากนี่คนหนุ่มคนสาวอยากให้ปฏิบัติเพราะว่าสติเข้ามาไว ถ้าเราเป็นแก่ข่านี้ปฏิบัติค่านี้เป็นไงถูกชนาจะได้แก่รู้จักคนแก่ด้อยไปเลยอันเดียวขึ้นเลยแล้วปฏิบัติมานานแล้วไม่ได้มาถึงจุดนี้มันท้าทายมากใช่ไหมล่ะโอ้โหแสดงว่าคนของคุณสาวเขาถ้าปฏิบัติตั้งใจนะไปได้ไหวเพราะฉะนั้นคุณวิต้องเอาให้จริงจังนะต้องก้าวหน้ากวพ่อคุณแม่ไปอีกคือหมายความว่า เราอย่าดูอันใดหนึ่งนานเกินไปให้ดูทุกส่วนพอๆกันดูทั้งข้างนอกข้างในดูข้างในข้างนอกไปอไปดูแต่ข้างนอกแต่ลืมดูข้างในดูดูข้างในแต่อไปลืมดูข้างนอกก็ดูทัานบอกว่าเราเดินทางเนี่ยไม่ใช่ดูจ้องอยู่ตรงนี้ที่เดียวเนี่ยก็ต้องดูข้างหน้าบ้างมาดูตรงนี้บ้างถ้าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวไอ้ข้างหน้าไปทางไหนไม่รู้เขารเข้าดงไปเลยเพราะว่ากําหนดที่ทางไม่ถูกหมดแต่ดูเฉพาะหน้าเป็นกายในกาย ก็เห็นอาการเวทนาเยนอออนขข็นร้อนอ่อนแข็เครื่องดึงอยู่ในกายใช่ไหมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตก็เห็นอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาดีไม่ดีนะคิดหรือไม่คิดนะเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายคืเห็นอย่างนี้คุณวิวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์พัฒนากว่าเมื่อวานเยอะไหมเห็นการเคลื่อนไหวรอบนอกชัดนี่ขเขาเรียกเห็นรูปนามวงนอกสุดนี่ขเขาเรียกรูปนามวงในเข้าไปเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรม แล้วก็เข้าไปอีกชั้นนึงเห็นนามรูปคือจิตเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเห็นนามรุวนรุนคือเห็นธรรมมันเป็นชั้นๆกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถึงเน้นให้เห็นนามรูปเดียก่อนเพราะฉะนั้นให้เห็นแต่ละชั้นแต่ละวงเนี่ยให้ชัดเอาไว้ก่อนเพื่อเราไปดูอันต่อไปมันจะไม่หลงนะแต่เรารีบดูพรวดพัดไปพัดไปพัดไปมาไปมาอย่างเงี้ยบางทีมันหลงเพราะว่ายังไม่ชัดจากอันเลย วงนอกก็ไม่ชัดวงในก็ไม่ชัดใช่ไหมเพราะเราเรีบว่าไงคุณทำวงในทำที่คือคือเกิดับคืออารมณ์ <c oughs> <c oughs> การเกิดดับของจิตและอารมณ์เราไปดูไม่ทันหรอกเพราะมันสูงมันไวเรามาดูแค่กายกับเวทนานเนี่ยพอเห็นดูสองวงนี้ชานาญแล้วข้างในจะไปเห็นอั้งมันเองกายเวทนาจิตแล้วก็ทำอ่าอย่างนีน้นนวงของจิตก็คือวงของความคิด อ, ดอวันนี้คุณคิดกี่ครั้ง จำได้ไหมไมีมีกี่เรื่องที่คิดวันนี้คุณวี่จำได้ไหมจะไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปเพราะมันหมุนไวมากเดี๋ยวเรื่องเข้ามาใชตลอดใช่ไหมมันไวจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเรานึกถึงภาพพยนตร์นะบานทีภาพยนตร์ที่เราไปดูฟิลม์มจริงมันเป็นเฟรมใช่ไหมอย่างหนังเนี่ยเท่าไรยี่สิบสี่ เฟรมต่อหนึ่งวิใช่ไหมแต่เป็นทีวีมันจะจะเป็นเท่าไหร่ส5สิบหเฟรมต่อหนึ่งวิความเร็วมันจะสูงกว่าในวินาทีเดียวน่ะนะพุดเดียวเนี่ยแค่แค่ท่ายกมือพุดแค่เนี้นะเอาเวลาเอามาสรุโมชันถึงจะรู้ถึงความถี่หยับๆยาของมันใช่ไหมหรือว่าเราหุนหลีดเคยแข่งเคยแข่งกีฬามั้ย เขาบอกชนะกันเพียงปลายจมูกใช่ไหมครับว่าไงเตัดสินไม่ได้อ่ะแค่ปลายจมูกเหรอกรรมการต้องทำไงเอาภาพรูปมาลีลานกันใหม่เอว่ามันปลายจมูกมันเกินกันไปกี่เส้นนะไอ้ตรงนี้คนชนะเออขนาดนั้นอันนี้ก็เหมันกันนะความถี่ที่ขนาดวัตถุนะตายจับไม่เคยทันที่นี่ความถี่ของเขานำมาทํามันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีก เพรนั้นผู้ที่จะไปเห็นดวงนั้นต้องได้ดวงตายเห็นธรรมก่อนดังนั้นคนที่เห็นวงนอกสุดชัดเนี่ยพระุทธเจ้าบอได้ดวงตายเห็นธรรมคือเห็นวงที่หนึ่งโอกาสที่เห็นวงที่สองที่สามที่สี่เข้าไปถ้าจึงเป็นแต่งเป็นสี่วงนเห็นวงนอกสุดเนี่ยได้ละความทุกข์ลดละยี่สิห้าเปซ็นตนามเลยนะสองไปเห็นเวทนาชัดได้ละอีกยี่้าเซตไปเห็นวงจิตชัดได้ถึงแปดเปอร์ซไปเห็นอารมณ์ชัด หมดเลยทะลุหมดเลยเขาก็บริจาตเป็นพระโสดาสีนาคาพระหันอย่างี้ยก็บริจาตไปจากการเห็นเท่า น, นี้แหละอ่าเห็นรูปมันก็จะไม่สงสัยในรูปนะถ้าเห็นรูปยังสงสัยในรูปยังยังไม่เห็นนะถ้าเห็นเฉพาะวงนอกเนี่ยมันจะลดกิเลสได้ถึงสามตัวหนึ่งสำคัญมั่นหมายตัวเองไม่มีละเพราะเห็นว่ารูปมันไม่มีสองไม่สงสัยสิ่งที่บุญญาตัสรู้ สามไม่ยึดดื้อถือดีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนกูดีมืองดีใช่ไหมพอมาดูอย่างนี้มันไม่มีไอความดีความชัว่วที่เราไปยึดแท้ๆไปคิดเอาแต่แท้เนี่ยมันจะลดกิเลสได้สามตัวอ่ะเพราะฉนั้นเองแต่ยักษ์ครั้งนั้นกิโลกกหลงยังไม่ลดนะลดโลกหลงยังเท่าเดิมนะแต่กิเลสสามตัวนี้ลด ก, ก่อนโลกกหลงอีกพอมาวงที่สองโลกกหลงถึงจะลดลงอ่าวงที่สาม โลคปวดหลงเหลือเบาวางมากแต่วงที่สี่นี่เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องสํำรวจทั้งสี่วงเนี่ยท่านมันจะเป็นสศิประธานสี่ไงนะดีประธานสี่เพราะฉะนั้นเราก็ดูบทีละวงละวงละวงดูไปเราก็เลยมานั่งทําเนี่ยอามาทุกบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมาทําให้เห็นชัดอ่ะแต่เราใช้ลมหายใจในหูต้องคนระดับสศิปัญญาขั้นอัจฉริยะนะ ถึงจะบรรลุได้มาว่านะระดับเราเรานี่มันไม่ใช่ระดับอาชีะเอาแค่เอาการเคลื่อนไหวแค่สติสัญญาเนี่ยก็เต็มแก่หรือเมือ่อไหร่แค่แค่นี้นะหลวงพ่เทียนขึ้นมาเอาระดับตรงนี้ระดับสติสัญญาคือระดับนีโบดสี่กับอีโบดย่อยดูตรงนี้แต่ระดับอนาปานั้นแต่คนที่ไม่มีสติ ปัญญาเลิศ ก, ก็อุตส่าห์ไปทำของเขาเป็นวักเป็นเวรติดไปขึ้นค่อนชีวิตไม่ไปไหนก็ทําอย่างนั้นนะบอกเขาว่าดีก็ดีตามเขาแต่มันดีสําหรับคนที่เขาเก่งไงใช่ไหมแต่คนไม่เก่งก็เลือกทางอื่นเข้ามาช่วยบางสินี่คือคือคนปัจจุบันคือรู้ว่าอะไรมันใช่เพราะเรามีตัวเทียบเยอะใช่ไหมแต่คนสมัยนั้นสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อธาตุหลวงพ่อชาจะเกิดเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอยอื่นนลวง ของปู่มัน่นท่านก็ไม่ได้สอนเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนให ญ, ญ่ท่านก็อยู่กับปา่บปากับเขานานๆในออประเทศที่หนึ่งแต่ลูกปู่ทั้งสามท่านมันถ้นสอนท่านเราสอนทุกวันน่ะใช่ไหมคนก็จะไวขึ้นอย่างนี้อันนี้สาเหตุนหนึ่งที่คนเข้าถึงธรรมะ ไ, ได้ได้ัยขึ้นปู่มั่นน้องปูเป่เสาน้องปู่เทศนนี่ท่านก็อยู่วัดไรวัดมันถ้านไม่ได้ออกมาตะเวนแบบเนี้ยคนก็จะรู้ตามท่านได้น้อยมากคุณมะลีเป็นไงบ้างวันนี้ ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวนี้องค์พ่อมองว่าคุณนิ่งขึ้นเยอะเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยสระแสเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณไปโน่นไปนี่มานี่แต่เดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นเยอะเลยแนะสดง ว, ว่าเที่ยวนี้แต่การทักท้วงตัวเองเนี่ยมันยังเป็นสมถะอยู่นะถ้าตัวสภาวะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าสัมผัสได้เลยอะแต่นี่เราคอยเตือนตัวเองอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวนี้ ถ้าเราไปตอกย้ำจุดใดจุดหนึ่งเนะี่ยมันเป็นสมถะอยู่เราก็คือเนื่องจากความคิดรามันเยอะต้องการผูกจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งให้ชัดเจนนะ่นะแต่ถ้าเรากระจายไปทั้งหมดเดี๋ยวความคิดมันก็จะวงที่หนึ่งท่านให้ใช้ตัวสติก็ทันวงที่สองให้ใช้สัมปชัญญะวงที่สามให้ใช้สมาธิวงที่สี่ให้ใช้ปัญญานะถึงจะทัน แต่ในคําว่าในสี่ตัวเนี่ยตัวอื่นมันก็ร่วมด้วยแต่ว่าตัวเด่นของมันเนี่ยตัวนำของมันยวงนอกที่สุดตัวนําคือสติคือกายใช่ไหมดวงที่สองก็เวทนาต้องเอาสัมปชัญญะเข้ามาช่วยแต่ในในตัวสัมปชัญญะก็มีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยแต่ว่าตัวเด่นคือตัวสัมปชัญญะคือพยายามรู้ให้ทั่วพร้อมหนุนเพราะเวทนามันมีทั่วตัวใช่ไหมแต่หนูเหยียดเท้าอ่ะ กายมันก็จะเห็นชัดตอนเมื่อเราไหวส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เวทนาไม่ว่าส่วนใดไหวหรือไม่ไหวมันก็ปรากฏเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สัมปชัญญะคือดูรีบทย่อยให้เยอะขึ้นถ้าจะดูเวทน า, าแล้วนอนแข็งเป็ น, เ, ปนเวทนาทีนี้ในจิตในวงที่สามให้ตัวเด่นต้องใช้สมาธิเป็นตัวนําแต่ในสมาธิตรงนี้มันก็จะมีสติสัมปชัญญะปัญญาอยู่ด้วยแต่สมาธิต้องเป็นตัวนํา คือตั้งใจเป็นพิเศษถ้าจะดูตัวนั้นนะ น, นะเวลาจะดูตัวคิดเนะี่ยต้องตั้งใจก่อนเข้าไปดูเลยไม่ได้ก็แสดงว่าคุณอยู่ในวงที่สองแล้วได้เห็นรายละเอียดขึ้นนะคลุมทั้งหมดหรือว่าเสพหรือว่าเสพหรือว่าดูเสพความสุขด้วยหรือว่าดูชอบแต่ไม่ได้ไ ม, ม่ได้เสพแต่ชอบเอยอย่างไงไม่ได้เสพแต่ชอบ น, นนะแต่ว่ามันเป็นความ พอใจตามธรรมดาธรรมชาตินะนะเรียกว่าเวทนาการรับรู้โดยธรรมก็คือจะมีมินมีอยู่ล้ตามตามที่เราปฏิบัติแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปแช่ถ้าไปแช่ถึงจะถือว่าเสพนะแต่ถ้าไม่แช่รับรู้แล้วก็ผ่านนี่นะก็ถือว่าได้รู้สัมผัส ก, ก็ทำให้มันรู้เร็วขึ้นเท่านั้นเองรู้ก็ผ่านเพราะเราก็รู้สึกอะไรอะ ลักษณะทั่วไปของมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในจุดที่ความคิดถึงจะรู้ว่ามีเยอะอยู่แต่ก็อย่ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนยังไม่ได้จัดการมันยังไม่ได้ใช่ไหมน่าจะบอกว่ารู้น้อยไปนะะไม่ใช่ทาน้อยไปทําเยอะอยู่แต่รู้น้อยไปรู้จากกูน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยน้องเนี่ยรู้เยอะกว่า น, นี้หน่อยหนึ่งเพราะการทํามีตลอดเวลาแล้วเมื่ได้ยืนอยู่เฉยๆก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคือมันมี ความรู้สึกอยู่แล้วอะแต่เริ่มเห็นเยอะขึ้นใช่ไหม skt ได้ผลเรื่อ k t ใช้ได้ทีเดียวก็อันไหนก็ตามนะที่มันจะรู้สึกว่ามันตั้งมั่นสติได้อยู่ดีนะก็หยิบเข้ามาประยุกใช้คือที่เราทาเนี้ยเราไม่ไม่ใช่ประเภทคอนเซอร์เวทีฟนะคือหมายก็ว่าเราไม่ได้เอาตามเป๊ะที่เขาว่าอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อทำให้เกิดตัวรู้ชัดๆ ตัวสมาธิปัญญาชัดก็เอามาประยุกต์เข้าไปใช้เพียงแต่เราไม่ตะเลิดเออเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวไปมันผ่านไปเพราะปัญหาผ่านได้ไวไอตัวรู้จะกลับมาเร็วเพราะตัวรู้ที่มันถูกบดบังก็ด้วยนิวรณ์ต่างๆเมื่อมีนิวรณ์แล้วเราอาศัยอุบายอันึ่เข้ามาแก้ให้นิวรณ์นั้นผ่านไปก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเพื่อจะนอกรูปแบบบางก็ไม่เป็นไรคุณนุชเป็นไงบ้างวันนี้อันไหนที่มันช่วยในแง่ของรูปโลกนะ ก็จะช่วยทางหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราเราแก้ไขได้ก็คนรจะแก้ไขไม่ปล่อยให้เป็นวิบากที่มันถ้าปล่อยเอาไว้ให้เป็นวิบากเนี่ยมันมันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆพอมันเสื่อมตลอดใช่ไหมดางนั้นเราก็ยั้งความเสื่อมมันไว้บ้างก็คือจะควรจใส่ยุกสยามก็ใส่ไปในการเราจะได้ให้ใช้ท่าใช้ขันนี้ปกติเป็นนานๆาแต่ความคิดน้อยลงใช่ไหม ก็ตัวตัวนี้แหละตัวสติมันมามาเตือนเราอย่างแรง น, นะนก็เข้ามาพลักก็ก็ดีถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาก็ตื่นได้นานหน่อยนะอ๋อถ้าข้างล่างนี่ถ้าจะปิดฉากล่างาแล้วมาทำให้เปลินง่ายนะแต่ว่าในตัวเวทนาในกาย ที่เป็นความปวดความเมื่อยยาตัวนี้นช่วยได้ไหมวันนี้เลยให้อาจารย์ประพัดไปขวดหนึ่งพราก็บปวดเขานั่งไม่ได้นานก็ใช้ได้นะมันตัวนี้นะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี่บุตก็หายใช่ไหมอ๋อก็ถือว่าปวดในตรยลักษณ์ไม่เป็นไรพร้อมเกิดแล้วก็หายแล้วปวดประเภทที่เปลี่ยนยังไงก็ไม่หายนั่นปวดพระลักษณะที่เป็นเป็นผลวิบากนะแต่ลักษณะที่เป็นตรยลักษณ์นี้ไม่ยากอย่างแต่ยขยันเปลี่ยนบาหน่อยนีคุณต้องขยันเปลี่ยนในยี่บุตรหน่อย แสดงว่ายังไม่ขยันเท่าไหร่นะขี้เกียจไปหน่อยไอ <laughs> ้ตัวตัวตัวขยันปฏิบัติคือตัวขยันปรับแต่ทําเยอะๆแต่ไม่ขยันปรับถือว่าขี้เกียจนะเออทุกให้เกียจเพราะตัวปรับแต่ละครั้งมันตัวรู้มันเกิดใช่ไหมตัวรู้มันตื่นตัวนะ่ะขยันตื่นไม่ใช่ขยันทำขยันตื่นด้วยพ่อนคลายขึ้นไหมคลายขึ้นเพราะคุณเกลีงมานานนะ มันนานมากเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะต้องออกกาลังกายช่วยด้วยออกกําลังกายช่วยด้วยเพราะว่าเป็นคนจริงจังก็ดีอย่างหนึ่งทําอะไรสําเร็จแต่ว่าผลมันก็คือร่างกายของเรามันสั่งสมความเครียดไว้เยอะเวลามาปฏิบัติแล้วทำท่าจะเครียดง่ายๆนะทำไปนั้นก็ล้าไปทั้งตัวนี่ต้องระวังหมายความว่าต้องผ่อนคลายรีแล ก, กมากกว่านี้หน่อยทําหาทําอะไรเล่นา มันจะได้ไม่เครียดง่ายก็คิดว่าหมดเวลาแล้วนะพรุนี้ค่อยต่อแล้วกันเพราะเราจะได้นอนหลับไปขึ้นพรุนี้มาตื่นเชา้าแต่ผลต้องการตื่นมาเช้านี่ดีกว่านอนดึกนะเพราะมันได้หลับลึกเพราะได้หลับลึกเพคนนอนไม่นานพอตื่นมาก็ชื่นได้ทั้ง เมื่อก่อนหนึ่งว่านอนเยอะมาก็ยังง่วงกันวันเดี๋ยวนี้ไม่ง่วงเลยนะขนาดตื่นเช้านะตีสองตีสามนะเพราะว่ามันเราตั้งใจหลับจริงช่วงห้าทุ่มถึงตีสองนี่พอละเพราะช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรลดฮอร์โมนมันจะหลังช่วงนั้นแค่นั้นเองถ้าเลยไปตีสองไปหรือก่อนห้าทุ่มยังไมเพราะฉนั้นในช่วงห้าทุ่มตีสองทำงานยังไงก็ต้องให้หลับถ้าไม่หลับในชุดนี้เรามีโอกาสที่จะป่วยไม่สบายเพราะลดฮอร์โมนไม่หลัง อันนี้เมื่อเราได้รับช่วงนี้เต็มที่แล้วเนี่ยพอ